ความบริสุทธิ์แห่งวันนะสีว่าเศรษฐะและพารทวาชะวันนะสีเหล่านี้คือหนึ่งกริยัตสองพรามณ์มแพทย 4. ส 4. ่สูตรแม้กริยับางพระองค์ในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเพ่งเล็งอยากได้ของของเขามีจิตพยาบาท เห็นผิดด้วยประการดังกล่าวมานี้ทมเหล่าใดเป็นอกุศลนับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรประพฤตินับว่าไม่ควรประพฤติไม่สามารถเป็นอริยธรรมนับว่าไม่สามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมดำมีวิบากดำที่วินยูชนติเตียนทมเหล่านั้นปรากฏอย่างชัดเจนในกษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้ 2. แม้พราม 3. แม้แพทย์ 4. แม้สูตรบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ประพฤติผิดในกรารมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเพ่งเลงอยากได้ของของเขามีจิตพยาบาทเห็นผิดด้วยประการดังกล่าวมานี้ทำเหล่าใดเป็นอกุศล น, นับว่าเป็นอกุศลมีโทษนับว่ามีโทษไม่ควรประพฤต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 1. แม้กษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เว้นขาจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกรามเว้นขาจากการพูดเท็จเว้นขาจากการพูดส่อเสียดเว้นขาจากการพูดคำหยาบเว้นขาจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของของเขามีจิตไม่พยาบาทเห็นชอบด้วยประการดังกล่าวมานี้ ถ้ามเราได้เป็นกุศลนับว่าเป็นกุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรประพฤตินับว่าควรประพฤติสามารถเป็นอริยธรรมนับว่าสามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมขาวมีวิบากขาวที่วิญยูชนสรรเสริญธรรมเหล่านั้นปรากฏอย่างชัดเจนในกษัตริย์บางพระองค์ในโลกนี้ 2. แม้พราหมณ์สมแม้แพทย์ส แม้สูตรบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นข่าจากการฆ่าสัตว์ละละละไม่เพ่งเลงอยากได้ของของเขามีจิตไม่พยาบาทเห็นชอบด้วยประการดังกล่าวมานี้ทำเราได้เป็นคุศลนับว่าเป็นคุศลไม่มีโทษนับว่าไม่มีโทษควรประพฤตินับว่าควรประพฤติสามารถเป็นอริยธรรมนับว่าสามารถเป็นอริยธรรมเป็นธรรมขาวมีวิบากขาว ที่วินยูชนสันเสริญทมเหล่านั้นปรากฏอย่างชัดเจนในสูตรบางคนในโลกนี้ว่าเศรษฐะและพารัวาชะเมื่อวันณะสี่เหล่านี้รวมกันเป็นบุคคลสองจำพวกคือ 1. พวกที่ดำรงอยู่ในธรรมดำที่วินยูชนติเตียนจำพวกหนึ่ง 2. พวกที่ดำรงอยู่ในธรรมขาวที่วินยูชนสันเสริญจำพวกหนึ่ง ในเรื่องนี้พวกพรามได้กล่าวอย่างนี้ว่าวันนัที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวันนัอื่นเลววันนัที่ขาวคือพรามเท่านั้นวันนัอื่นดำพรามเท่านั้นบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พรามไม่บริสุทธิ์พรามเท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพระพรหมเกิดจากพระพรหมเป็นผู้ที่พระพรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพระพรหม วินยูชนทั้งหลายย่อมไม่รับรองถ้อยคำของพรามหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าบรรดาวันนะสี่เหล่านี้ผู้ใดเป็นภิกษุอรหันตขีนาศกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทากิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชนแล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบผู้นั้นเรียกได้ว่า เป็นผู้เลิกกว่าคนทั้งหลายในวันนซีเหล่านั้นโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอาธรรมเพราะธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าว่าเศรษฐะและภารตวาชะโดยเหตุผลนี้เธอทั้งสองพึงทราบเถิดว่าธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ว่าเศรษฐะและภารัวาชะพระเจ้าเปเสนทิโกสนทรงทราบว่าพระสมณโคโดมเสด็จออกผนวจากศักยะตรกูลที่เท่าเทียมกันดังนี้ก็พวกศากยะยังต้องตามเสด็จพระเจ้ารปเสนทิโกสนอยู่ตลอดเวลาและพวกเจ้าศักยะยังต้องกระทําการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในพระเจ้าเปเสนที่โกสนอยู่ ด้วยประการดังว่ามานี้พระเจ้าเปเสนทิโกสลทรงกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมนั้นในเราตถาคตดังที่พวกเจ้าสักยะกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกรรมในพระเจ้าเปเสนทิโกสลพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับ อัญชลีกรรมและสามีจิกรรมนั้นด้วยทรงดำริว่าพระสมณโคโดมมีพระชาติกำเนิดดีเราเองมีชาติกำเนิดไม่ดีพระสมณโคโดมทรงแข็งแรงเราเองไม่แข็งแรงพระสมณโคโดมมีผิวพรรณผ่องใสเราเองมีผิวพรรณเศร้าหมองพระสมณโคโดมเป็นผู้สูงสักเราเองเป็นผู้ต่ำสักโดยที่แท้ พระองค์เมื่อจะทรงสักการะธรรมเคารพธรรมนับถือธรรมบูชาธรรมนอบน้อมธรรมจึงทรงกระทำการนอบน้อมการอภิวาทการต้อนรับอัญชลีกรรมและสามีจิกกรรมในเราตถาคตอย่างนี้โดยเหตุผลนี้เธอพึงทราบอย่างนี้ว่าธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ว่าเศรษะและพารทวาชะเธอทั้งสองมีแช่กำเนิดต่างกันมีชื่อต่างกันมีโคต่างกันมีตระกูลต่างกันออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเมื่อมีผู้ถามว่าท่านเป็นพวกไหนพึ่งตอบเขาว่าเราเป็นพวกพระสมณศักยบุตรดังนี้เถิดผู้ใดแลมีศรัทธาตั้งมั่นในตถาคตเกิดแต่ราก ประดิษฐานมั่นคงที่สมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกให้หวันไหวไม่ได้ควรจะเรียกผู้นั้นว่าเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอชของพระผู้มีพระภาคเกิดจากพระธรรมอันพระธรรมเนรมิตรขึ้นเป็นทายาทของพระธรรมข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดี ล้วนเป็นชื่อของตถาคตว่าเสฐะและพารัวาชะสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เสื่อมเมื่อโลกกำลังเสื่อมเราสัสดส่วนมากไปเกิดที่พรหมโลกชั้นอาภาสระนึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นภักษามีรัสมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมานอันงดงามสถิตยอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานโลกนี้เจริญขึ้นเมื่อโลกกำลังเจริญขึ้นเหล่าสัตว์ส่วนมากจุติจากภพโลกชั้นอภัสระมาเป็นอย่างนี้นึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นพักษามีรัศมีส่้างออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศ อยู่ในวิมานอันงด ง, งามสถิตยอยู่นานแสนนานความปรากฏแห่งง้วนดินว่าเศรษฐะและพารัวาชะสมัยนั้นทั่วทั้งจั ก, กรวาร น, นี้แหละเป็นน้ำทั้งนั้นมืดมนอนทกาล ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปรากฏกลางคืนกลางวันยังไม่ปรากฏเดือนหนึ่งครึ่งเดือนรุดูและปีก็ยังไม่ปรากฏหญิงชายก็ยังไม่ปรากฏสัตว์ทั้งหลายปรากฏชื่อแต่เพียงว่าสัตว์เท่านั้นครั้นเวลาล่วงเลยมาช้านานเกิดง่วนดินลอยอยู่บนน้ำปรากฏแก่สัตว์เหล่านั้นดุดน้ำนมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วทาให้เย็นสนิท จะเป็นฝาอยู่ข้างบนมวลดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสยหรือเนอยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิม้มซึ่งปราศจากโทษต่อมาสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลกกล่าวว่าท่านผู้เจริญสิ่งนี้จะเป็นเช่นไรแล้วใช้นิ้วช้อนมวลดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อเขาใช้นิ้วช้อนงวลดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่ รถงวนดินได้แผ่ซ่านไปเขาจึงเกิดความอยากในรถแม้สัตว์เหล่าอื่นก็พากันถือแบบอย่างสัตว์นั้นจึงใช้นิ้วช้อนงวนดินขึ้นมาลิ้มดูเมื่อสัตว์เหล่านั้นใช้นิ้วช้อนงวนดินขึ้นมาลิ้มดูอยู่รถงวนดินก็แผ่ซ่านไปและสัตว์เหล่านั้นก็เกิดความอยากในรถขึ้นเช่นเดียวกัน ความปรากฏแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เป็นต้นว่าเศรษฐะและภารัตวาชะต่อมาสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นมวลดินให้เป็นคำคำเพื่อจะบริโภคเมื่อใดสัตว์เหล่านั้นพากันใช้มือปั้นมวลดินให้เป็นคำคำเพื่อบริโภคเมื่อนั้นรัศมีที่สร้างออกจากร่างกายของสัตว์เหล่านั้นก็หายไปเมื่อรศมีที่สร้างออกจากร่างกายหายไป ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายปรากฏกลางคืนกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏเดือนหนึ่งครึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนหนึ่งครึ่งเดือนปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏด้วยเหตุเพียงเท่านี้โลกนี้จึงเรียกกลับฟื้นขึ้นอีก ว่าเศรษฐะและระรทวาชะครั้นต่อมาสัตว์เหล่านั้นเมื่อบริโภคง้วนดินมีง้วนดินนั้นเป็นพักษามีงวนดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเมื่อบริโภคง้วนดินมีง้วนดินนั้นเป็นพักษามีงวนดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพันธุ์ก็ปรากฏแตกต่างกัน สัตว์บางพวกมีผิวพันธ์งามบางพวกมีผิวพันธ์ซามสัตว์เหล่าใดมีผิวพันธ์งามสัตว์เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพันธ์ซามว่าพวกเรามีผิวพันธ์งามกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพันธ์ามกว่าพวกเราเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมา n ะถือตัวเพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพันธ์เป็นปัจจัยมวลดินจึงหายไปเมื่องวลดินหายไปสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกัน ครั้นแล้วต่างก็พากันโหยหาว่ารถเอ๋ยรถเอ๋ยแม้ทุกวันนี้ก็เหมือนกันพวกมนุษย์ได้ขอมีรถดีบางอย่างมักกล่าวอย่างนี้ว่ารถเอ๋ยรถเอ๋ยพวกพราหมณ์พากันนึกได้แต่คําโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกเท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคํานั้นเลย ความปรากฏแห่งสเก็ดดินว่าเศรษฐะและพารธวาชะเมื่อง้วนดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปสะเก็ดดินก็ปรากฏสะเก็ดดินนั้นปรากฏลักษณะเหมือนดอกเห็ดสะเก็ดดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนอยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำผึ้งมิม้มซึ่งปราศจากโทษ ครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นได้พากันบริโภคสเก็ตดินเมื่อบริโภคสเก็ตดินนั้นมีสเก็ตดินนั้นเป็นพักษามีสเก็ตดินนั้นเป็นอาหารได้ดํารงอยู่นานแสนนานเมื่อบริโภคสเก็ตดินมีสเก็ตดินนั้นเป็นพักษามีสเก็ตดินนั้นเป็นอาหารได้ดํารงอยู่นานแสนนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพันธุ์ก็ปรากฏแตกต่างกัน สัต ว, ว์บางพวกมีผิวพันธ์งามบางพวกมีผิวพันธ์สามสัตว์เราได้มีผิวพันธ์งามสัตว์เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพันธ์สามว่าพวกเรามีผิวพันธ์งามกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพันธ์สามกว่าพวกเราเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะการดูหมินเรื่องผิวพันธ์เป็นปัจจัยสเกตดินจึงหายไป ความปรากฏแห่งเครือดินว่าเศรษฐาและพารัวาชะเมื่อสะเก็ดดินหายไปเครือดินก็ปรากฏเครือดินนั้นปรากฏคล้ายเถาปักบุ้งเครือดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีและมีรสอร่อยเหมือนน้ำพึ่งมิ้มซึ่งปราศจากโทษครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นได้พากันบริโภคเครือดิน เมื si ่อบริโภคเครือดินแล้วมีเครือดินนั้นเป็นพักษามีเครือดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเมื่อบริโภคเครือดินมีเครือดินนั้นเป็นพักษามีเครือดินนั้นเป็นอาหารดำรงอยู่นานแสนนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพันก็ปรากฏแตกต่างกันสัตว์บางพวกมีผิวพันงามบางพวกมีผิวพันซามสัตว์เหล่าใดมีผิวพันงาม สัตว์ i, เหล่านั้นก็ดูหมิ่นสัตว์ที่มีผิวพันธ์ซ้ำว่าพวกเรามีผิวพันธ์งามกว่าสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นมีผิวพันธ์ซ้ำกว่าพวกเราเมื่อสัตว์เหล่านั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะการดูหมิ่นเรื่องผิวพันธ์เป็นปัจจัยเครือดินจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันครั้นแล้วต่างพากันโหยหาว่าพวกเราเคยมีเครือดินบัดนี้เครือดินของพวกเราหายไปแล้ว ในสมัยนี้ก็เหมือนกันพวกมนุษย์ถูกทุกข์ระทมบางอย่างกระทบเข้าก็พากันบ่นเพ้อว่าเราเคยมีของสิ่งนี้แต่เดี๋ยวนี้ของของเราหายไปแล้วพวกพราหมณ์พากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลย ความปรากฏแห่งข้าวสาลีในที่ที่ไม่ต้องไถวาเศษฐะและพารัตวาชะเมื่อเครือดินของสัตว์เหล่านั้นหายไปแล้วข้าวสาลีอันผลิพในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิกล่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏที่ที่พวกเขาเก็บข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุก ข, ขึ้นได้ในตอนเช้า ที่ที่พวกเขาเก็บข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุก ข, ขึ้นได้ในตอนเย็นความพร่องไม่ปรากฏเลยครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีนั้นเป็นพักษามีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนาน ความปรากฏแห่งเพศหญิงและเพศชายว่าเศรษฐะและภารัตวาชะเมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีนั้นเป็นพักษามีข้าวสาลีนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานสัตว์เหล่านั้นจึงมีร่างกายหยาบขึ้นทั้งผิวพรรณก็ปรากฏแตกต่างกันและอวัยวะเพศหญิงปรากฏแก่ผู้เป็นหญิง อวอยวะเพศชายปรากฏแก่ผู้เป็นชายกล่าวกันว่าหญิงเพ่งดูชายและชายก็เพ่งดูหญิงนานเกินไปเมื่อชนทั้งสองเพศต่างเพ่งดูกันและกันนานเกินไปก็เกิดความกำหนัดขึ้นความเร่าร้อนก็ปรากฏขึ้นในกายเพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจัยชนเหล่านั้นจึงได้เสพเมถุนธรรม ก็โดยสมัยนั้นสัตว์เหล่าใดเห็นสัตว์เหล่าอื่นกําลังเสพเมถุนกันจึงคว้างฝุน่นใส่บ้างคว้างขี้เท่าใส่บ้างคว้างมูลโคใส่บ้างเลือกกล่าวว่าคนถ่อยเจ้าจงฉิบหายคนถ่อยเจ้าจงฉิบหายแล้วกล่าวต่อไปว่าก็ฉะไหนสัตว์จึงทํากรรมอย่างนี้แก่สัตว์เล่าข้อที่ว่ามานั้นแม้ในขณะนี้ในชนบทบางแห่ง เมื่อเขานำสัตว์ที่จะถูกฆ่าไปสู่ที่ประหารมนุษย์เหล่าอื่นก็จะคว้างฝุ่นใส่บ้างคว้างขี้เท่าใส่บ้างคว้างมูลโคใส่บ้างพวกพรามพากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลย การประพฤติเมถุนธรรมว่าเศรษฐะและพารทวาชะสมัยนั้นการเสพเมถุนธรรมอันเป็นเหตุให้ถูกคว้างฝุ่นใส่เป็นต้นนั้นเธอว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่บัดนี้เธอว่าเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้นเหล่าสัตว์ผู้เสพเมถุนธรรมไม่ได้เข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมตลอดหนึ่งเดือนบ้างสองเดือนบ้างเนื่องจากสัตว์เหล่านั้นต้องการเสพอสัตวธรรมเกินเวลา ต่อมาจึงพากันสร้างเรือนขึ้นเพื่อปกปิดอสัตธรรมนั้นสัตว์บางคนเกิดความเกียดคร้านจึงมีความเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเรานี้ช่างลำบากเสียจริงที่ต้องนำข้าวสาลีมาเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นและเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าทางที่ดีเราควรนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวให้พอเพื่อเป็นอาหารเช้าและอาหารเย็น ต่อแต่นั้นมาสัตว์นั้นก็นำข้าวสาลีมาเพียงครั้งเดียวเพื่อเป็นอาหารเย็นและอาหารเช้าครั้งหนึ่งสัตว์ผู้หนึ่งเข้าไปหาสัตว์นั้นถึงที่อยู่แล้วได้ชักชวนว่ามาเถอท่านผู้เจริญพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์ <cas wo> <c oughs> <landscapes> นั้นจึงตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญ <c oughs> เรานาข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารเย็นและอาหารเช้าแล้ว ต่อมาสัตว์นั้นจึงถือแบบอย่างสัตว์คนแรกนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึงสองวันด้วยกล่าวว่าเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านต่อมาสัตว์อีกผู้หนึ่งจึงเข้าไปหาสัตว์คนที่สองถึงที่อยู่กล่าวชวนสัตว์คนนั้นว่ามาเถิดท่านผู้เจริญพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญ เรานำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึงสองวันต่อมาสัตว์นั้นจึงถือเอาแบบอย่างสัตว์คนที่สองนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึงสี่วันด้วยกล่าวว่าเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านต่อมาสัตว์อีกผู้หนึ่งเข้าไปหาสัตว์คนที่สามถึงที่อยู่กล่าวชวนสัตว์คนนั้นว่ามาเถอท่านผู้เจริญพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถอ สัตว์นั้นจึงตอบว่าย่าเลยท่านผู้เจริญเรานําข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึงสี่วันต่อมาสัตว์นั้นจึงถือแบบอย่างสัตว์คนที่สามนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึงแปดวันโดยกล่าวว่าเอออย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านเพราะสัตว์ทั้งหลายพากันบริโภคข้าวสาลีที่สั่งสมไว้ดังนั้น ข้าวสาลีจึงมีรำห่อมเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกความพร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นย่อมย่อมการแบ่งข <mos> ้าวสาลี <S <s <mos> ว่าเศษฐะและพารัตวาชะครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันครั้นแล้วต่างพากันปรับทุกว่าท่านผู้เจริญบาปธรรมก็ปรากฏในสัตว์ทั้งหลายแล้วด้วยว่าในการก่อนพวกเรานึกคิดอะไรก็สสำเร็จได้ตามปรารถนามีปิติเป็นพักษามีรศมีส่านออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานงดงามสถิตยอยู่นานแสนนาน สมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆเกิดง้วนดินลอยขึ้นบนน้ําปรากฏแก่พวกเราง้วนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นได้พากันใช้มือปั้นง้วนดินให้เป็นคำํคำๆเพื่อบริโภคเมื่อพวกเราพากันใช้มือปั้นงวนดินให้เป็นคำํคำๆเพื่อบริโภคอยู่รัศมีที่สร้างออกจากร่างกายก็าหายไปเมื่อรศมีที่สร้างออกจากร่างกายหายไป ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏแล้วดวงดาวนักษัตว์ทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อดวงดาวนักษัตว์ทั้งหลายปรากฏแล้วกลางคืนกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏแล้วเดือนหนึ่งครึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนหนึ่งครึ่งเดือนปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏพวกเรานั้นบริโภคง้วนดินมีง้วนดินเป็นพักษามีง้วนดินเป็นอาหาร ได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอากุศลธรรมปรากฏง้วนดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อง้วนดินหายไปสเก็ตดินก็ปรากฏสเก็ตดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นได้พากันบริโภคสเก็ตดินพวกเรานั้นบริโภคสเก็ตดินนั้นมีสเก็ตดินนั้นเป็นพักษามีสเก็ตดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนานาน เพราะบาปอกุศสธรรมปรากฏสเก็ตดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อสเก็ตดินหายไปเครือดินก็ปรากฏเครือดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเราเนราั้นได้พากันบริโภคเครือดินพวกเรานั้นบริโภคเครือดินนั้นมีเครือดินนั้นเป็นพักษามีเครือดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุโลธรรมปรากฏ เครือดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อเคลือดินหายไปข้าวสาลีอันผลิตผลในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏที่ที่พวกเราเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเช้าที่ที่พวกเราเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้า ก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุก ข, ขึ้นได้ในตอนเย็นความพร่องไม่ปรากฏเลยพวกเรานั้นเมื่อพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องไถมีข้าวสาลีนั้นเป็นพักษามีข้าวสาลีเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอากุศลธรรมปรากฏข้าวสาลีของพวกเราจึงมีรัมห่อเมล็ดบ้างมีแกลบหุ้มเมล็ดบ้าง ต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกความพร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมย่อมทางที่ดีเราควรแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันเถิดครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงพากันแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันว่าเศรษฐะและพารัทวาชะครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภรักษาส่วนของตนไว้แล้ว ถือเอาส่วนอื่นท uh> uh uh uh uh ี่เขาไม่ให้มาบริโภคคนทั้งหลายจับเขาได้จึงกล่าวว่าคุณคุณทำกรรมชั่วที่รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคุณอย่าทำกรรมชั่วอย่างนี้อีกสัตว์นั้นก็รับคำแล้วแม้ครั้งที่สองสัตว์นั้นแม้ครั้งที่สามสัตว์นั้นก็รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภค คนทั้งหลายได้พากันจับเขาแล้วกล่าวคำนี้ว่าคุณคุณทากรรมชั่วที่รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคุณอย่าได้ทำอย่างนี้อีกคนเหล่าอื่นใช้ฝ่ามือบ้างก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างทำร้ายว่าเศรษฐะและพรัวาชะในเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จึงปรากฏการครหาจึงปรากฏ การพูดเทศจึงปรากฏการถือธันทาวุธจึงปรากฏมหาสมมติราชว่าเศรษฐาและพระวาชครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมกันปรับทุกขกันว่าท่านผู้เจริญ บาปรมปรากฏในหมูสัตว์แล้วคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จากปรากฏการครหาจากปรากฏการพูดเท็จจากปรากฏการถือทันทาวุฒจากปรากฏทางที่ดีพวกเราควรสมมติแต่งตั้งสัตว์ผู้หนึ่งซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควร ข, ขับไล่โดยชอบพวกเรา จากแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านที่มีรูปงดงามกว่าหน้าดูกว่าหน้าเลื่อมใสกว่าหน้าเกรงขามกว่าแล้วจึงได้กล่าวดังนี้ว่ามาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดและพวกเราจากแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่ท่าน สัตผู้นั้นรับคําแล้วได้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบและสัตว์เหล่านั้นก็ได้แบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นว่าเศรษฐะและพารัตวาชะเพราะเหตุที่สัตว์นั้นอันมหาชนสมมติแต่งตั้งฉะนั้นคําแรกว่ามหาสมมติมหาสมม ต, มมมติจึงเกิดขึ้น เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลายฉะนั้นคำที่สองว่ากษัตริย์กษัตริย์จึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่สัตว์นั้นให้ชนเหล่าอื่นยินดีได้โดยชอบธรรมฉะนั้นคำที่สามว่าราชาราชาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุ ด, ดังกลา่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงกษัตริย์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีแก่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้น ไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแวดวงพราหมณ์ ว่าเศรษฐะและพารัตวาชะครั้งนั้นสัตว์บางพวกได้มีความคิดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญบาป ร, รมเกิดขึ้นในหมู่สัตว์แล้วคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จากปรากฏการขรหาจากปรากฏการพูดเท็จจากปรากฏการถือทันทาวุธจากปรากฏการขับไล่จากปรากฏทางที่ดีพวกเราควรลอยบาปอากุศลธรรมทิ้งเสียเถิด สัตว์เหล่านั้นจึงได้พากันลอยบาปอากุศลธรรมนั้นทิ้งไปเพราะสัตว์ทั้งหลายพากันลอยบาปอากุศลธรรมทิ้งไปฉะนั้นคำแรกว่าพรามพรามจึงเกิดขึ้นพรามเหล่านั้นจึงสร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ไว้ในราวป่าแล้วบำเพ็ญฌานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบยไม้นั้นพรามเหล่านั้นไม่มีการหุงต้มไม่มีการตาข้าวพากันเที่ยวไปยังหมู่บ้าน ตำบลและเมืองสแสวงหาอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเชา้าพวกเขาได้อาหารแล้วก็บำเพินชาญอยู่ในกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่านั่นเชียวอีกหมู่มนุษย์พบเขาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสัตว์เหล่านี้สร้างกระท่อมมุงด้วยใบไม้ในราวป่าแล้วบำเพินชาญอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้นั้นพวกเขาไม่มีการหุงต้ม ไม่มีการต่าข้าวพากันเที่ยวไปยังหมู่บ้านตำบลและเมืองสแสวงหาอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าพวกเขาได้อาหารแล้วมาบป็เพญชานอยู่ในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าอีกเพราะพวกเขาบป็เพญชานอยู่คำที่สองว่าชายกาชายกาจึงเกิดขึ้นในจานวนสัตว์เหล่านั้นสัตว์ปางพวก เมื่อไม่บรรลุฌานนั้นในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันและนิคมที่ใกล้เคียงกันพากันทําคัมภีร์อยู่มนุษย์ทั้งหลายเห็นเขาแล้วจึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญสัตว์เหล่านี้ไม่ได้บรรลุฌานนั้นในกระท่อมที่มุงด้วยใบไม้ในราวป่าจึงเที่ยวไปยังหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกันและนิคมที่ใกล้เคียงกันพากันทําคัมภีร์อยู่ ชนเหล่านี้ไม่บำเพ็ญฌานเพราะชนเหล่านี้ไม่บำเพ็ญฌานในบัรนี้คําที่สามว่าอัจชายกาอัจชายกาจึงเกิดขึ้นสมัยนั้นคําว่าอัจชายกานั้นถือกันว่าเป็นคําเลวแต่ในสมัยนี้คําว่าอัจชายกานั้นถือกันว่าประเสริฐด้วยเหตุดังกล่ามนี้จึงได้เกิดมีแวด ว, วงพราหมณ์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่น ины,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 แวดวงแพทย์วาเสฐะและพารัวาชะบรรดาสัตว์เหล่านั้นบางพวกยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไปเพราะเหตุที่สัตว์เหล่านั้นยึดมั่นเมถุนธรรมแล้วแยกประกอบการงานที่แตกต่างออกไปฉะนั้นคำว่าเวสสาเวสสาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงแพทย์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้น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 วงสูตรว่าเศรษฐาและภารัวาชะบรรดาสัตว์เหล่านั้นสัตว์ที่เหลือประพฤติตนโหดร้ายทำงานต่ำต้อยเพราะสัตว์เหล่านั้นประพฤติตนโหดร้ายทำงานที่ต่ำต้อยฉะนั้นคําว่าสูตรสูตรจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงสูตรนั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่น มีแค่สัตว์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์ที่ไม่ใช่พวกเดียวกันมีโดยธรรมเท่านั้นไม่ใช่โดยอาธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกาเนิดของโลกก็ทำเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าวาเศรษฐะและพารัธวาชะมีสมัยที่กษัตรติเตียนรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจากเป็นสมณะ พรามติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นสมณะแพทยติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นสมณะแม้สูตรก็ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยประสงค์ว่าเราจะเป็นสมณะจึงได้เกิดมีแวดวงสมณะจากแวดวงทั้งสี่นี้ขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้น